อนาปติวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ985 1. ภพิกษุีตัดเท้าตั้งยาวแล้วจึงใช้สองพิกษุีีรื้อคนสัตว์ของแท่นแล้วจึงใช้ 3. ภพิกษุีวิกลจริต 4. ภพิกษุีต้นบัญญัติสิกขาบทที่สองจบ